ได้มาขึ้นสติปัะญานต่อเลยเนาะอริยศาสตร์บัพพะ <c oughs> นี่ก็ยังวินิจฉัยโดยในที่สิบอยู่นะโดยในที่สิบ วิเคราะห์หรือวินิจฉัยโดยอย่างเดียว2อย่าง3ามอย่าง4อย่าง5อย่าง6อย่างครั้งที่แล้วก็พูดไปโดยสองอย่างเรียบร้อยละมาขึ้นโดย3อย่างเลยทุกขศาสตรนั้นจะแบ่งโดยปริยายสามประการก็ได้คือโดยพบ 3, หมายถึงกามมพบรูปประพบและอารูประพบพบในที่นี้เน้นตัวอุปติพบเน้นตัววิบากรรมกักมมัชูป ตัววิบากบ ก, บกรร ม, มชรืรนั่นแหละเป็นทุกขสัตว์อ น, นวิบากกรรมมชรูปรในภพสามน่นแหละเป็นปริยายแห่งทุกขสัตว์แบ่งออกเป็นสามก็ได้ ก, ก็คือสังขาระโลกใช่ไหมลแล้วก็ภพสามกรรมาภพรูปภพอรมูภพถ้าการมาภพนั้นปฏิสนธิได้กี่ดวง ถ้าตามวิเคราะห์ตามแบบอภิธรรมปฏิสนธิจิตสิบดวงอันไหมหาวิบากแปดอเหตุกะสองคือ ส, สันติรณะสองที่นำปฏิสนธิอัไหปฏิสนธิในการมาพบจึงมีจิตสิบดวงปฏิสนธิในรูปประพบผ้าดวงรูปราวจรวิบากหอารมประพบนั้นสี่ดวงคืออารูปวิบากสี่ ในการมาพบกับรูปประพบนั้นก็มีทั้งรูปมีทั้งนามส่วนอรูปประพบมีแต่นามอย่างเดียว น, น, นะรูปประพบคืออสัญญาสัตมนั้นมีแต่รูปอย่างเดียวส่วนที่เหลือมีทั้งรูปทั้งทั้งนาม น, น, นะน <c oughs> ทุกขสัตว์จะแบ่งตามภพสามก็ได้มันก็แสดงว่าในภพสามก็เป็นไปกับชาติชาราและมรณะ ถามาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตอาศัยสิ่งเหล่านั้นได้ไหมบอกได้คือปรารถนาพบเหล่านั้นแล้วไม่ได้สมหวังพบเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเหมือนกันแต่ว่าโดยในพบนั้นเนี่ยไม่มีโสกะปริเทวะในรูปประพบอรูปประพบนั้นไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตไม่มี แต่เป็นวัตถุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสได้อุปายาตได้เพราฉะนั้นจึงเป็นทุกขสัตว์นะนะมันผู้ที่ทําปริญญาก็สามารถจะพิจรารณาภพสามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรได้เหมือนกันหมดส่วนสมุทยัยศาสตร์นั้นแบ่งโดยสามประการก็เป็นการมตัฐหาภวะฐานหาวิภวะฐานหา กามตัญหาก็คือตัญหาที่เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐาพ่ะเรียกว่ากามตัญหาตัญหาที่เกิดร่วมกับสัสจะทิฏฐิเรียกว่าภาวะตัญหาตัญหาที่เกิดร่วมกับอุเฉททิฏฐิเรียกว่าวิภาวะตัญหากามตัญหานี่ก็จริงๆทั้งทิฏฐิสัมปยุทธ์วิปยุทธ์ก็เป็นการมตตันหาหมดถ้าเพลิดเพลินใน รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะนั่นแหะนะแต่ถ้าภาวะตันหากับ ว, วิภวะตันหานั้นเน้นไปที่เกิดร่วมกับสัสตติทิฐิหรืออุเฉทถิทิฐิเป็นหลักภวะตันหานั้นรวมความไปถึงความปรารถนาในรูปประพบอรูปประพบด้วยนั่นแหะนะไม่เฉพาะแต่เฉพาะกับสัสต ถ, ถิทิฐิเท่านั้นถือว่าเมื่อใดที่เพลิดเพลินในรูปประพบอรูปประพบก็เรียกว่า ภาวะตันหาหัสมุทัยศัสตร์ก็คือตันหาสคุ้นเคยกันนะกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาส่วนพระนิพพานหรือนิโรธสัจจะจะเรียกโดยสมก็ได้ตามปริยายความสงบจากภพสามเนี่ยสภาวะของนิพพานนั้นมีอย่างเดียวคืออสังขตะธาตุใช่ห แต่ว่าถ้าแบ่งว่าสงบพบสามก็เลยเรียกว่าเหมือนกับนิพานสามแบ่งโดยปริยายแต่ว่าไม่ใช่สภาวะมีสามเกี่ยกวกัแบ่งตามว่าความสงบคือสามารถสงบพบทั้งสามได้เลยเรียกว่าพระนิพานเนี่ยแบ่งเป็นสามในเหมือนกับแบ่งอะไรเป็นสุปาทิเสสะอนุปาทิเสสะใช่ไหมอันนี้ก็แบ่งเป็นสงบจากพบสามในยะอื่นที่เคยได้ฟังมาก็คือท่านบอกว่า อนิมิตานิพานอปปนิหิตานิพานและสญญตานิพานเรียกนิพานสามแต่ตรงนี้ไม่ยกมาแสดงะปริยายที่อื่นๆนี่เคยมีกล่าวไว้คือสอุปะที่เสสานิพภะไม่ใช่อันนมิตานิพานอปปนิหิตานิพานและสุญญตานิพานคือปริยายที่เพิ่มพิเศษตรงนี้เนี่ยนะ ที่เรียกว่าสุญญตะนิพานอานิมิตะนิพานและอัปปนิหิตะอ น, นิพานนี้เนี่ยแบ่งตามปริยาแห่งมรคนิพา น, นเนี่ยนะเพราะว่าเป็นอารมณ์แห่งอริยมรรคสามประเภท อริยรมรรคสามประเภทนั้นคืออะไรก็คือสุญตมรรคอั น, นะอัปปนิหิตะอานิมิตมรรคและก็อัปปนิหิตะมรรคถามว่าทำไมอริยมรรคจึงเป็นเรียกว่าสุญตมรรคานิมิตตมรรคอัปปนิหิตมรรคก็เพราะอนุภาพของ อนุปัสนาถ้าผู้ใดยิ่งด้วยอนัตตานุปัสนาเนี่ยนะยิ่งด้วยอนัตตานุปัสนานะไม่ใช่เจริญเฉพาะอนัตตาแต่มากด้วยอนัตตานุปัสนาอริยมรรคของเขาเรียกว่าสุญญามรรคอารมณของมรรคคือนิพานนั้นเรียกว่าสุญญานิพานถ้าผู้ใดมากไปด้วย อนิจจานุปัสสนาเดี๋ยวนะก็เป็นอุปนิสัยให้อริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคนั้นเรียกว่าอานิมิตตมรรคพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมรรคนั้นมีชื่อตามปริยายเรียกว่าอานิมิตตนิพพานส่วนผู้ที่เจริญทุกขานุปัสสนาโดยมากเจริญทุกขานุปัสสนาเป็นปัจจัยให้บรรลุอริยมรรค อริยมรรคมีชื่อว่าอัปปนิหิตะตามวิปัสสนาที่ได้มาแล้วพระนิพพานที่ทำให้แจ้งนั้นมีชื่อว่าอัปปนิหิตานุปัสสนาอขออภัยอัปปนิหิตะนิพพานแม่แต่อริยผลเนี่ยนะสามัญญผล สามัญญผลก็มีชื่อว่าถ้าอย่างนี้เรียกว่าสุ ญ, ญตสมาบัติอริยผลนะตอนหลังถ้าพระอริยะท่านเข้าสมาบัติเรียกว่าสุ ญ, ญตสมาบัตเรียกว่าอะนิมิตตสมาบัติเรียกว่าอัพนิหิตตสมาบัติ เพราะพระนิพพานนี้เป็นอารมณ์ของพระสมาบัติใช่ไหมันรักษามัญญผลทั้งหมดนี่อาจจะของมรดมรกหนึ่งก็ได้อย่างเช่นของโสดาปฏิมรนะโสดาปฏิมรหรืออันนี้ก็โสดาปฏิผล ถ้าโสดาปฏิมักโซดาปฏิมักนี่แบ่งเป็นเรียกว่าสุญยตะโสดาปฏิมักก็ได้อานิมิตะโสดาปฏิมักก็ได้อานิมิตะโสดาปฏิมักก็ได้สามัญญผลอย่างเช่นสมมติ น, นะพระอนุ์เนี่ยจะเข้าสุญยตะสมาบัติก็ได้สามารถเข้าอานิมิตะสมาบัติก็ได้สามารถเข้าอัปปนิหิตะสมาบัติก็ได้เพราะฉะนั้นคูณมักสี่เอ่อคูณผลสี่ะตรงเนี้ผลสี่ตรงนี้ก็ มัคสเหมือนกันสี่มัคเนี่ยจะเป็นสุญญาตาิอานิมิตะหรืออัปะนิหิตตะก็ได้เพราะฉะนั้นในโลกของอริยมัคจริงๆเนี่ยคำพีท่านบอกว่าสาหัสนัยมีเป็นพันในนั่นเป็นพันในแบบมหาวาระในธรรมสังคีณีนีนถ้ากล่าวโดยพิสดารไม่มีที่สุดเนี่ยมีปริยายที่จะกล่าวโดยนิยะอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนนัอ้อย่างพระสารีบุตรเนี่ยที่พระ อ, องค์ถาวมว่าดูก่อนสารีบุตร นะหน้าอินทรีย์เธอพ่องใสแต่ อ, อยู่ด้วยสมาบัตอะไรภาษาดิบุตรบอกว่าอยู่ด้วยสุญญ ะ, ะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามหาบุรุษเขาเข้าอย่างนี้แหละนะคือมีพิเศษเพิ่มอีกนิดนึงว่าผู้ที่เจริญอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะหมายถึงเขามีอินทรีย์คือปัญญ์อินทรีย์นี่มีกําลังมากผู้ที่เจริญอา น, น, นิมิตานุปัสสนาเนี่ยสัจทินทรีย์เขามีกําลังมาก ผู้ที่เจริญทุกขานุปัสสนาเนี่ยโดยมากสมาธิสีเขามีกำลังมากตรงนี้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็รู้ไว้คร่าวๆก่อนนะจริงแล้วก็วิชานี้เป็นวิชาอีกใหญ่อีกแขนงหนึน่งเลยแต่นี่ก็กำหนดนามรูปก็ยังยากเลยขันห้าก็ยากแล้โลกอริยมรรค ก, ก็ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ก่อนสูงเกินไปบ้างอะไรบ้าง หันอริยมรคจะเรียกว่า3มแบบสาประการก็ได้นะคือสุญตมรคอนิมิตมรคอปปะนิหิตมรค ก, ก็อย่างนี้ก็ได้พระนิพานจะเรียกว่าสุญตนิพานอนิมิตานิพานอปปนิหิตานิพาน ก, ก็ได้อันนี้คือคำโดยปริยายในยะสามนั่นโสดาบันยัานเข้าไปสวยผลนี้ได้ไดทุกปวง พระโสดาบันนั้นถ้าตามปฏิสัมพิธามักถือว่าพระอริยะสา ม, มารถเข้าพระสมมาบัตได้ทุกท่านท่านถือว่าเหมือนกับอะไรเหมือนอย่างว่าพระราชา ย, ยังเสวยสุขในราชสมบัติใช่ไหมผู้ได้ฌานยังเสวยสุขในฌานสมมาบัตพระอริยะก็เสวยสุขในพระสมมาบัตได้พรานในปฏิสัมพิธามักเนี่ยนะ กล่าวถึงว่าพระอริยะทุกท่านหรือในอัตกาถาทั้งหลายก็บอกพระอริยะทั้งหมดเนี่ยเข้าสมาบัติได้แต่บอกว่าถ้าเป็นพระอริยะแล้วเข้าสมาบัติไม่ได้เลยนะบอกว่าบรรลุแล้วอ่ะแต่ไม่เคยเข้าพระสมาบัติเลยอันนี้ก็แปลกใจมากว่าอริยะแท้หรือเปล่าให้คิดให้ดีเลยนะสมมติถ้าใครบอกโอ้บรรลุแล้วล่ะผ่านยาณสิบหกมาแล้วล่ะ แต่ว่าไม่เคยเข้าพระสมาบัตทเลยนะแล้วยังมีว่างๆก็ตบยุงบ้างอะไรบ้างอย่างก็หางมากเลยไม่ใช่แน่นอนนะมังงันเธศีนยังรักษาไม่ได้จะว่ามักเลย <c oughs> ทีนี้ตัวมักมักอย่างเดียวเนี่ย เ, ยเฉพาะอริยมักที่เป็นสุญญะมัก อ, อันิมิตามรักอปะนิฮิตตมรักมักอย่างเงี้ยยังถ้าแบ่ง โ, โดยขันสสามารถแบ่งเป็นขันสามอีกขันสก็คือศีลขันสมาธิขันและปัญญาขันศีลขันนั้นอริยมรักเนี่ยที่เป็นศีลขันก็คือวีรตีสาวีรตีสามสงเคราะห์เป็นศีลขัน สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ส่งเคราะห์เป็นส ม, มาธิขันส่วนปัญญาขันก็สมมาทิทิกับสัมมาสังกัปปะพี่ตกพวกนี้เป็นปัญญาขันเศีล ส, ส ม, มาธิปัญญานี่ยเขาเรียกว่านิปปเทสะ เป็นคำพูดพูดแบบสิ้นเชิงสิ้นเชิงส่วนวิ อ, อริยมรตมีองค์8เนี่ยนะอริยมรตมีองค์8เรียกว่าสัพเพเทศะเห็นไหมอย่างถ้าพูดว่าประเทศไทยกับเชียงใหม่เนี่ยนะอันไหนกว้างแคบกันประเทศไทยกว้างใช่ไหมแต่เชียงใหม่นี่แคบฉันใดก็ดีคําพูดแบบพูดแบบสิ้นเชิงเลยนะเรียกว่า นิะเทศศีล ส, สมาธิปัญญาเนะี่ยแม้กระทั่งรักษาศีล ส, สมาทานศีลห้าศีลแปเรียกว่าศีลหมดใช่ไหมเป็นอริยมรรคไหมเป็นไหมไม่เป็นเป็นอริยมรรคไหมสมาทานศีลห้าไม่เป็นฌานทั้งหลายที่เป็นโลกยะฌานเป็นอริยมรรคไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นคําว่ามรรคเนี่ยนะแคบเพราะมีแค่ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปตสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นเป็นมัชเป็นอริยมัชเนี่ยนะส่วนที่เหลือนี้ก็เป็นศีลสมาธิปัญญามันกว้างขวางมากแม้แต่เราท่านท่านทั้งหลายก็ยังมีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมถ้าผู้บรรลุมัชผลจึงจะมีอริยมัช ถึงบรรลุอริยมรรคก็บรรลุสีนสมาธิปัญญาเพราะสีนสมาธิปัญญากว้างขวางนะกว้างกว้างมากเพราะว่ามหากุศลทั่วๆไปก็สงเคราะห์รวมลงในศีนสมาธิปัญญาอกีกนะชาใน จ, จิต ท, ทั้งหลายก็สงเคราะห์ในสมาธิวิปัสสนาทั้งหลายก็สงเคราะห์ในปัญญาก็ศีนสมาธิปัญญาแม้ในขณะอริยมรรคก็ศีนสมาธิปัญญาอั้นคําว่าศีนสมาธิปัญญากว้างแต่คําว่า มักเนี่ยแคบเฉพาะในในอะไรในขณะอริยมรรคตรงนี้ผ่านนะคุณบุญมีไม่สงสัยเลยเ ห, อหรเอมันนี้แปลกนะไม่ถามเลย <laughs> เงาเหมือนกันนะ ก่นไม่ยินเสียงแก้วเจ้าหายไปก็ก็อย่างที่ว่าหัวเมืองรวมอยู่ในอาณาจักรใช่ไหมอย่างเชียงใหม่ก็หัวเมืองรวมอยู่ในอาณาจักรไทยอาณาจักรไทยนี่กว้าง70 76จังหวัดใช่ไหมเรียกอาณาจักรไทยทั้งเชียงใหม่นี่แคบฉะนั้นหัวเมืองได้รวมอยู่ในราชาอาณาจักรคือถ้าโดยศัพท์เนี่ยนิพพเทศะ กับสัพระเทศะถ้าเพิ่มมันจะมีที่อื่นนะจะเพิ่มเช่นเพิ่มคําว่ายานขึ้นมาอย่างผู้ที่มีสัสนิะเทศยานคือใครบอกสัพพันญูพระพุทธเจ้านี่มียานเรียกว่านิประเทศอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีพระอานนท์เห็นไหมพระอนนท์นะมี มีสัพปะเทศะยางรู้ได้โดยเอกเทศถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าไฟรถเป็นไฟแบบคือสว่างเหมือนกันแต่สว่างแบบสัพปะเทศมีส่วนเหลือถ้าดวงอาทิตย์เป็นประเภทนิประเทศนะสว่างไม่มีที่สิ้นสุดะนะลักษณะเดียวกันเพราะนั้นคำว่านิประเทศะอย่างแต่ถ้าเป็นมรอะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับมรรคอย่างนิปเทสะนั้นหมายถึงศีลสมาธิปัญญาสัพเทสะคืออริยมรรคอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเรียกว่าสัพเทสะคําว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะรวมทั้งโลกิยะโลกุตระหมดเลยเนี่ยนะโลกิยะโลกุตระก็เรียกว่า ศีล ส, สมาธิปัญญามหากรุะนะสุนคาว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าว่าโดยองค์ธรรมมหากุศล8บวกเจตสิกที่ประกอบเท่าไหร่คุณชูศรี38นะรูปราวจรกุศลนหเจตสิกที่ประกอบ30มหอรูปราวจรกุศลนสี่ดวงเจตสิกที่ประกอบสามิเท่าไหร่ สามสิบทุ่นนะสามสิบทุวนลดปีติลดวิตกลดอะไรอีกลดอัปปมัญญาสองแล้วก็ลดวีรตีสามอันนี้ลดวีรตีอย่างเดียวนั่นนะทาน่าศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยกว้างขวางนั่นนะ ศีลสมาธิปัญญานี่กว้างขวางไงกุศลทั้งหมดก็นับเนื่องในศีลสมาธิปัญญาสมถะทั้งหลายก็เป็นศีลเป็นเป็นเนออขอไปสมถะทั้งหลายก็เป็นสมาธิแล้วก็มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเพราะไอตัวอัญญสมนาเท่าไหร่สิบสาโสภณสาธารณะสิเกวีรตีอีก 3อัปมออปมัญญาเอกส่ปัญญาอีกหนึ่งพวกนี้ยังพวกนี้ก็นับเนื่องในศีละสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขานับเนื่องในธรรมขันซึ่งอารมณ์ก็มีมากมายหลายประเภทแต่ถ้าเป็นอริยมรรคเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียว ขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวแล้วก็มีองค์แปดเนี่ยนะล็อกตัวเลขไว้เลยว่า8ดเพราะฉะนั้นอริยมรรคนี่แคบมากเนี่ยนะแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญากว้างขวางมาก หรือถ้าเราจะเข้าใจอีกในหนึ่งนะว่าทุกขสัตว์องค์ธรรมได้แก่อะไรโลกิยจิตแปดสิบเอดเจตสิกที่ประกอบห้าสิบเอ็ดโรคยี่สิบแปดเนี่ยนะใช่ไหมทุกขสัตว์สมุทยัยสมุทัยศัตร์อะไร นะสมุทัยโลภะเจตสิกอย่างเดียวโลภะเจตสิกหนึ่งส่วนนิโรสัตว์ก็มีนิพพานนี่ลแล้วอริยมรรคละ่ะเจตสิกแปดที่ในมรรคจิตเฉพาะเกิดร่วมกับมรรคจิตเท่านั้นนะจึงแกเรียกว่าอริยมรรค ถ้าย <Billie S 2> ังไม่ประกอบร่วมกับมัคจิตก็เป็นมัคแต่ไม่ใช่อริยมัคเพราะฉะนั้นในบรรดามัคทั้งหลายอริยมัคประเสริฐที่สุดเพราะกุศลก็เป็นมัคใช่ไหมกุศลเนี่ยเป็นมัคไปสู่อะไรมัคกุศลแปดมัคไปสู่มนุษย์กับเทวดารูปาวจรกุศลก็มัคไปสู่พรหมโลกอรูปาวจรกุศลก็มัคไปสู่อรูปพรหมพวกนี้ก็เป็นมัค แต่ไม่ใช่อริยมรกเทีนี้สิ่งที่น่าคิดว่าเจตสิกแปดดวงทำไมไม่ไม่คาบเกี่ยวกับห้าสิบเอดดวงที่กล่าวไปแล้วหรือใช่ไหมคาบเกี่ยวกันไหมคุณชูศรีเอาถามอาจารย์ดีกว่าตอบง่ายดีอ๋อเขบ ทำไมจึงไม่คาบเกี่ยวคือถ้าถ้าเราถ้าใครเรียนจิตเจตสิกมาดีเนี่ยนะประเชดหนึ่งประเชดสองมาดีเนี่ยไม่ได้สงสัยเลยทำไมไม่สงสยัยเพราะว่าสติเจตสิกเนี่ยเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงถ้าตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมาอย่างนี้ คือโสภณจิตทั้งหมดเลยนั่นแหละมีเจตสิกโสภณจิ ต, จตทั้งหมดเท่าไหร่โสภณจิตทั้งหมดอะโสภณจิตมีสามสิบที่เหลื อ, อนนทั้งหมดมีแปดสิบเก้าใช่มแปดสิบเก้าลบสาสิบควรจะเท่าไหร่ก็ห้าสิบเก้าโสภณจิตห้าสิบเก้า คือกามาวจรโสภณะ24มหากตะ27โลกุตระ8เนี่ยนะรวมทั้งหมดเป็น59าสเ้า น, น, นจิตเหล่านี้เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมีสติเจตสิกเกิดทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าสติเจตสิกทั้งหมดมีกี่ดวงกล่าวโดยสภาวะมีหนึ่งถ้ากล่าวตามการประกอบกับจิตก็มีห9สบสตินะถ้าเหมือนอย่างเคยได้ยินนะว่าโลกิยะเวทนา8ปบเอดโลกิยะสัญญา8ปดบเอดโลกิยะเจตนา8ปเอดแต่จริงๆอ่ะ เ, เจตนาเจตนาเนี่ยเกิดเท่ากับจิตนั่นแหละ เพราะฉะนั้นจิตมีกี่ดวงเจตนาก็มีเท่านั้นดวงจิตมีกี่ดวงสัญญาก็มีเท่านั้นดวงเพราะฉะนั้นแต่ น, นี้เรียกว่าที่เราเรียกว่า51ในผู้ตามสภาวะนันนะผู้ตามสภาวะถ้าจะกล่าวให้ตรงเลยนะ่นะโลกิยะจิตมีเท่าไหร่เจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกิยะจิตทั้งหมดเป็นทุกขสัตว์ เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเจตสิกอะไรก็ช่างเถอะถ้าเกิดร่วมกับโลกิยะจิตถือว่าเป็นทุกขศาสทั้งหมดในอริยมรตมีองค์8ดในมรตจิตนะนะเฉพาะเจตสิกแดวงเท่านั้นที่เป็นมรตส่วนเจตสิกที่เหลือและจิตเป็นสัตจวิมุตต์ไม่ใช่มรตไม่ใช่อริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์8ตัวตัวจิตเลยนะตัวจิตกับตัวเจตสิกที่เหลือ อย่างในขณะมรรคทั้งหมดมีเจตสิกเกดร่วม35มนสะิบห เ, เป็นมรรคเสีย8นะที่เหลือไม่ใช่มรรคที่เหลือเป็นสัจจะวิมุตติไม่ใช่อริยสัตว์แต่สัมปยุติกับมรรคสัตวนะนะ์ก็ถือว่าทบทวนพระเศษเท่าไหร่พะเศษสอง ใช่อาศัยตันหาละตันหาอาศัยมานะละมานะอาศัยอาหารละอาหารแต่ว่าเมถุนชักสะพาน